ปัจจญญาณุโลมนเหตุทุกก์ในยี่สิบหกอรมณ์ปัจจัยกับนืเหตุปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยและถึงมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระรนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเศวณปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระอาหาราปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมขะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระ อธิ ป, war, ปัจจัยมีสามวาระนัตถปัจจัยมีสามวาระวิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตาปัจจัยมีสามวาระตึกกะในอรามะณะปัจจัยก <no>, ับนเหตุปัจจัยและนาอธิปติปัจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสามวาระสมนันตระปัจัจกับนัเหตุปัจัยและนอธิปติปัจัยมีสามวาระ สหชาติตปัจจัยละถึงมีสามวาระอัญญมัญญะปัจจ <het> ัยม <mas roasting> ีสามวาระเนสยะปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยะปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเจวณปัจจัยมีสองวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีสามวาระ ชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระจะตุกะใน อารามณ um. ปัจจัยกับนเหตุปัจใจนาอธิปติปัจจัยและณาปุเรชาตปัจจัยมีหนึ e ่งวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมณันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจ <Toyota> ัยกับมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาเสวนปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ รกรมปัจจัยก um ับมีหนึ่งวา no, ระวิปปะกปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระเอ็นตรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระมัคคปัจจัยกับมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ วิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระชาติกะในอรามณะปัจจัยกับนะเหตุปัจจัยนะอธิปติปัจจัยน่ปุเรชาตะปัจจัยนปัจฉาชาตปัจจัยน่อาศวณปปัจจัยและนกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระสมานันตระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ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 วิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระยอ่อณเหตุมูลกะในจบณอธิปติทุกณัยยี่สิเจ็ดเหตุปัจจัับณอธิปติปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสามวาระยอ่อณปูเรชาตะทุกนัยยี่สิบปด เหตุปัจจัยกับนาบุเรชาตะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสองวาระย่อทุกขไนมีนปัชชาชาตะปัจจัยเป็นต้นยี่สิบเก้าเตุปัจจัยกับนปัชชาชาตปัจจัยละถึงกับนาอาเสวนปัจจัยกับนากรรมะปัจจัยกับนาวิปากะปัจัจมีสามวาระละถึง อาวิคตปัจใจมีสามวาระย่อณชาณทุกนายสสิอารมณะปัจใจกับณชาณปัจใจมีสามวาระอนันตระปัจใจละถึงมีสามวาระสมนันตระปัจใจมีสามวาระสหชาติปัจใจมีสามวาระอัญญามัญญะปัจใจมีสามวาระนิสยปัจใจมีสามวาระอุปนิสยปัจใจมีสามวาระ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 ยอ่อนมมะขทุกกไยสามสออารมณปัจจัยกับนัมมะขปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยละถึงมีสามวาระสมานันตระปัจจัยมีสามวาระหาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อนวิปยุตตะทุกนาย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 อาเสวณปัจจัยม ja e ีสองวาระกรรมปัจจ erm ัยมีสองวาระวิปากปัจจ so ัยมีสองวาระมหาราปัจจัยมีสองวาระอินทริยะปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีสองวาระมัคคะปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยมีสองวาระนัติปัจจัยกับนักวิปยุตตปัจจัยมีสองวาระ วิคตาปัจจัยละถึงมีสองวาระวิคตาปัจจัยมีสองวาระติกะในอรามะนปัจจัยกับนวิปยุตตาปัจจัยและนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตาปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปูปานิสยาปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวนาปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระชาณะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคคะปัจใจมีหนึ่งวาระสำยุตตะปัจใจมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระณติปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระ อริยขตตัปปจัยมีหนึ่งวาระทัศกะในอารามณปัจจัยกับนวิปยุตตปัจใจนัเหตุปัจใจนัอธิปติปัจใจนัปูเรชาตปัจใจนัปัจชาชาตปัจใจนัอาเจวนปัจใจนักรรมะปัจใจนัวิปากปัจจัยและนมข้าปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ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 สสหชาติวาระสาสภาวธรรมที่เกิดร่วมกับสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาละถึง3ปัปฏิยวาระ34ละถึงธรรมสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้เป็นปัจจัย 4. นิจยวาระ35ละถึงอิงอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา สังสัตถวาระ36สภาวธรรมที่เกิดระคนกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา 6. สัมปยุตตาวาระ37สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาซึ่งสัมปยุตกับสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสองสัมปยุตกับขันหนึ่งที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้น ขันหนึ่งสัมปยุทธกับขันสองเกิดขึ้นยอ่อสัมปยุทธ ต, ตวาระจบสองเวทนาติกะเจ็ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังคาวาระเหตุปัจจัยสามสิบปดสภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยได้แก่ เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็น hey ปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุตุปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันธ์โดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่ส e. ัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยเหตุตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะเหตุที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยเหตุปัจจัยอารามณะปัจจัย39 สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาพระอริยะ มีจิตสัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันธ์ที่สัมบยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารจความยินดีเพลิดเพลินขันธ์นั้น ราคาที tamam ่ส um, ัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมะณะปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ กลับมีวิปติสารโทมานะจึงเกิดขึ้นเมื่อฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเสื่อมไปแล้วกลับมีวิปติสารโทมานะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารคขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาขันท์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้ท า, า, านสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคมสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุคมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้ว ซึงสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทน า, เ, าเห็นแจ้งขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารจกความยินดีเพลิดเพ ล, เพ ล, เพลินขันนั้นราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฐิจึงเกิดขึ้น วิจิกิจฉาจึงเกิดขึ้นอุทจจะจึงเกิดขึ้นพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพร้่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขญาณอนาคตังสายานและอวชนะจิตโดยอา ร, รมณะปัจจัย เพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น40สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่เพราะปรารบโทสะโทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรารบโมหะที่สัมปยุทธ์ด้วยทุขเวทนาโมหะจึงเกิดขึ้น โสทสะจึงเกิดขึ้นเพราะปรากรกายวิญญาณที่สหรโรคตด้วยทุกขโทสะจึงเกิดขึ้นโมหะจึงเกิดขึ้นเพราะปรากรขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา พิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะปรารกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภ า, าวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่พระอริยะมีจิตสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนาพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุต ด, ด้วยทุกขเวทนา โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยะถากรรมูปะขญาณอนาคตังสญาณและอวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัย เพราะปรารคขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้น41สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ แล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาพระอริยะมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ขมได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้น บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นวิจิกิจฉาจึงเกิดขึนอุทัจจะจึงเกิดขึน พระอริยะรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาด้วยเจโตปริยญาณอ า, ากาสานัญญา ย, ยตนะเป็นปจ şey ัจจัยแก่วิญญาณัญจา ย, ยตนะโดยอารมณปัจจัยาอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารมณะปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ โอเพนิวาสานุสติยานและถากรรมูปัคขยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยเพราะปรารบขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแต่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอารมณะปัจจัยได้แก่ บุคคลมีจิตสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ท า, า, านสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทานาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณาด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาพระอริยมีจิตสัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนา พิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาเห็นแจ้งขันที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นราคะที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นเพราะปรารุขันที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนา ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ ส, สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปันจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณ์ปัจจัยได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถแล้วกลับมีวิปติสารโทมณ์จึงเกิดขึ้นเมื่อฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเสื่อมแล้ว กลับมีวิปติสารโทมานะจึงเกิดขึ้นเพราะป ร, ะ ร, ประารรขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมสุขเวทนาขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นอ า, าทิปติปัจจัย42สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาด้วยอธิ ป, ปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมนาธิตติและสหชาตาธิปติ อารามนาทิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุตด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาออกจากมักออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา ยินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุทธะขันโดยอธิปติปัจจัย สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาทิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถและพิจารณาปุสส น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนา ออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคมสุขเวทนายินดีเพลิดเพลินขันที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคมสุขเวทนาเพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ราคาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น43สภาวธรรมที่ ส, Например, สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคือสหชาตาธิปติได้แก่อธิปฎีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยอธิปติปัจจัย44 สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขเวทนาโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาทิปติและสหาชาตาทิปติอารมณนาทิปติได้แก่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุคคมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุคคมสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุคคมสุขเวทนาออกจากมาออกจากผลแล้วพิจารณากุศล น, นั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุคคมสุขเวทนายินดีเพลเพลินขันที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนา เพราะทําความยินดีเพลิดเพลินขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปฏิได้แก่อธิปฎีธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่งสัมปยุทธะขันโดยอธิปติปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา โดยอธิปติปัจใจมีอย่างเดียวคืออารมนาที่ปฏิได้แจ่บุคคลมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารม์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาออกจากฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาออกจากมรรคออกจากผลแล้วพิจารณากุศลนั้นให้เป็นอารมอย่างหนักแน่น ด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนายินดีเพล่อเพลิงขันที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเพราะทําความยินดีเพล่อเพลิงขันนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นทิฏฐิจึงเกิดขึ้น อนันตรปัจจัย45สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดตอนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังหลังโดยอนันตระปัจจัยอนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโดยอนันตระปัจจัย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 สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปัฏิจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยผะวังขจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อาวชนะจิตโดยอนันตระปัจจัย กายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแห่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตรปัจจัยมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นกิริยาโดยอนันตรปัจจัยผวังขจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่งผวังขจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุกุมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัย ปุศนและอกุศลที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุทฒานะที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะผลเป็นปัจจัยแก่วุทธานะโดยอนันตระปัจจัย46สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดก่อนก่อน เป็นปัจจัยแก่ขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่กายวิญญาณที่สหโรคตด้วยทุกข์เป็นปัจจัยแก่มโนธาตุที่เป็นวิบากโดยอนันตระปัจจัยขันท์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุานะ ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย47สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดตอนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาซึ่งเกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัย อนุโลมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่โคตรภูที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุคมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โวทานโคตรภูเป็นปัจจัยแก่มักโวทานเป็นปัจจัยแก่มักมักเป็นปัจจัยแก่ผลผลเป็นปัจจัยแก่ผลอนุโลมเป็นปัจจัยแก่พระสมมาบัต เนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธเป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุฒานะที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุคคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา โดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่อุปาติจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันท์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยมโนธาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่มโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัย ผวังคจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ผวังคจิตที่สัมปยุทยย ธ, ธ, ธทท์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตรปัจจัยกุศลและอกุศลที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่วุานะที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนากิริยาเป็นปัจจัยแก่วุานะผลเป็นปัจจัยแก่วุานะเนวสัญญานาสัญญายตนะของท่านผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยแก่พระสมาบัติที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยได้แก่อาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอนันตระปัจจัยสัมนณันตระปัจจัย48 สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยสมนันตะปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับอนันตะปัจจัยสหชาตะปัจจัย49สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยสหชาตะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่สัมปยุตธ์ด้วยสุขเวทนา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 โดยสหชาติปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาติปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหชาติปัจจัยไม่มีปฏิสนธิที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาห้าสอสภาวธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาโดยสหชาติปัจจัย ได้แก่ขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันหนึ่งโดยสหชาตปัจจัยในปฏิชนทิขณะขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ข mm. ันหนึ่งโดยสหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัยและนิสยปัจจัย52สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาเป็นปัจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอัญญามัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยอัญญามัญญะปัจจัยและนิสยปัจจัยเหมือนสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัย5สสาสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยาอันันตารูปาณิสยาและปกตูปาณิสยาปกตูปาณิสยาได้แก่บุคคลมีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาให้เกิดขึ้น ทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้นทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถรทิฐิบุคคลอาศัยเศนที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สหโรคด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาละถึง ทมสมาบัติให้เกิดขึ้นในศีลสุตตะจาคะและปัญญาซึ่งมีศรัทธาเป็นที่ห้าพึงเพิ่มคำว่ามีมานะเถอทิฐิเข้าด้วยในหมวดธรรมที่เหลือไม่ต้องเพิ่มเข้าบุคคลมีจิตที่สัมปะยุทธ์ด้วยสุขเวทนาลักทรัพย์พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลว ผัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สห ร, รคตด้วยสุขเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาศีล ส, สุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนา กายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจใจแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวคือปกตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรอน เสวยทุกมีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนเสวยทุกข์มีการแสวงหาเป็นมูลอาศัยราคะที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโมหะมานะทิฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขจึงฆ่าสัตว์มีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนารักทรัพย์พูดเท็จ พูดสอเสียดพูดคํายากพูดเพ้อเจ้องักแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลวผิดพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์มีจิตประทุษร้ายทําพระโลหิตของพระทถาคตให้ห่อทำลายสงฆ์ศรัทธาที่จำปยุติด้วยสุขเวทนาศรลสุตะจาะปัญญาราคะ โมหะมานะทิฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สหรคตรด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่สหรคตรด้วยทุกข์และขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุตธ์ด้วยอุทุกขมสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่าง คืออารามณูปานิสยะอนันตารูปานิสยะและปะกะตูปานิสยะปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลมีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคคมสุขเวทนาอาศายัยศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุคคมสุขเวทนาให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาให้เกิดขึ้นทำมรรคให้เกิดขึ้น ทำอภิญยาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนากายวิญญาณที่สหรคตรด้วยสุขจึงให้ทานด้วยจิตที่สัมปยุตด้วยอุทุคลมสุขเวทนาและถึงทำสมาบัติให้เกิดขึ้นลักทรัพย์ มีจิต ท, ที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคาหยาบพูดเพ้อเจ้องักแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ที่ทางเปลี่ยวผิดพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเศรษสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนา กายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขและขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุก ข, ขเวทนาโดยอุปาณิสยาปัจจัย5้สิบสสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างเครอื่อนันตรูปาณิสยะและปะกะตุปาณิสยะปะกะูปาณิสยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะจึงฆ่าสัตว์ มีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์ละถึงทำลายสงฆ์อาศัยโมหะกายวิญญาณที่สหอรคตด้วยทุกจึงฆ่าสัตว์มีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาลักทรัพย์ทำลายสงฆ์โทสะโมหะกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกขเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกขันที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา โดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเ ว, วทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีอย่างเดียวเพื่อปะกระตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะมีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเ ว, วทนาจึงให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเ ว, วทนาลักทรัพย์ฆ่าชาวบ้านอาศัยโมหะ กายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกขมีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละถึงข่าชาวบ้านโทสะโมหะกายวิญญาณที่สหรคตด้วยทุกเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนากายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมพยุดด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยอุปานิสยปัจจัยมีสองอย่างเคื่อนันตะรูปานิสยะและปะกะตูปนิสยะปะกะตูปานิส ย, ยะได้แก่บุคคลอาศัยโทสะมีจิตที่สัมพยุดด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงให้ทานละถึงฆ่าชาวนิคมอาศัยโมหะกายะวิญญาณที่สหโรคตรด้วยทุกข มีจิตที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานละถึงฆ่าชาวนิคมโทสะโมหะกายวิญญาณที่สหรโรคตรด้วยทุก์เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุทุคมสุขเวทนาละถึงความปรารถนาขันธ์ที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยห้าสหสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยอุทุคมสุขเวทนา เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุคมสุขเวทนาโดยอุปนิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุตด้วยอทุคมสุขเวทนามีจิตสัมปยุตด้วยอทุคมสุขเวทนาจึงให้ทานเถิดทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุตด้วยอทุคมสุขเวทนา สุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนามีจิตสัมยุญด้วยอาทุคมสุขเวทนาจึงให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมยุญด้วยอาทุกคมสุขเวทนาลักทรัพย์ฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สัมยุญด้วยอาทุกคมสุขเวทนาศีลสุตตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะ ทิฏฐิความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาความปรารถนาและขันธ์ที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสมอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตารูปาณิสยา และประกาศตูปานิสยะประกาศตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานเถอทิฏฐิอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาความปรารถนามีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาจึงให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนารักทรัพย์ฆ่าชาวนิคม ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยทุกขโมุขเวทนาความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาความปรารถนากายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขขันธ์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนา โดยอุปาณิสยปัจจัยมี2 อ, อย่างคืออนันตารูปานิสยะและปะการูปนิสยะปะการูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยจักราที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาจึงทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนสวยทุกข์มีการสแสวงหาเป็นมูลอาศัยศีลที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาความปรารถนาแล้วฆ่าศักด์มีจิตสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนารักทรัพย์ ทําลายสง์สัทธาที่สัมปยุติด้วยอธุกรมสุขเวทนาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่โทสะโมหะกายะวิญญาณที่สหรคตด้วยทุก ข, ขันที่สัมปยุติด้วยทุกขเวทนาโดยอุปานิเศยปัจจัย